วันนี้นับว่าเป็นวันพวกเราคณะสิทธิอนุสิทธิลูกหลานเหลนมาจัดงานลํำลึกถึงท่านพ่อของพวกเราคือท่านพ่อเฟื่องท่านพ่อเฟื่องได้ ม, มรณภาพเป็นเวลาถึงยี่สิบสี่ปีที่หลวงพ่อได้รับทราบถึงท่านจะมรณภาพไปนานแต่พวกเรา ที่ได้พบได้เห็นที่ได้สนทนาได้ฟังพระธรรมเทศนาของท่านก็เหมือนกับท่านล่วงรับดับขันไปในเร็ววันเพราะว่าพวกเรายังรำลึกถึงพระคุณของท่านอยู่เพราะว่าท่านได้แนะนาสั่งสอนพวกเราให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปปุลคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์หลวงพ่อเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสาหรับ พวกคณะสัตยา ญ, ญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาได้รับการอบรมจากาท่านพ่อของพวกเราท่านพ่อของพวกเราบางท่านที่มาในที่นี้อาจจะยังไม่รู้ว่าท่านาจะ ก, กุลไหนท่านเกิดเมื่ออะไรท่านบวชนานเท่าไหร่ท่านเป็นพระอย่างไรหนะลวงพ่อ ท่านผู้ที่ได้รู้แล้วก็อาจจะรู้ดีกว่าหลวงพ่อแต่ลวกพ่อก็ได้รู้ในตำรับตาราหรือประวัติของท่านนะท่านพ่อเฟื่องของเราบิดาของท่านชื่อเทียนมารดาของท่านชื่อเลื่อมนามสกุลเชื้อสายท่านพ่อเฟื่องเกิดวันอังคารที่สพฤษภาคมพุทธศักราช2558 ตรงกับแรมหคข่ำเดือนหปีทปีพศส4 7 8อายุครบ20ปีท่านได้บวชที่วัดโบดบางกระจักในพรรษาที่สองท่านบวชมาได้เป็นฝ่ายมหานิกายในพรรษาที่สองท่านได้ไปฟังธรรมะจากท่านพ่อลีธรรมะทโรวัดอโศการาม และเห็นปฏิปทาของท่านพ่อลีเกิดชัตทากับพระปฏิบัติสายพระป่าพอออกพันษาได้ขอติดตามท่านพ่อลีเดินทุดงจากป่าช้าของกุ้งไปทางเขาวงกฎซึ่งเป็นเขตติดต่อแดนระหว่างจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดระยองเดือนพฤษภาคม2580ท่านได้ยติที่วัด จันทรารามตำบลจันทนิมิตรอเมืองจอจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีต่อมาท่านได้รับแต่งตั้งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นเอกที่พระครูญานวิสิทธิ์ท่านพ่อของเราได้มรณภาพนะจากนั้นท่านก็ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองให้แก่ลูกแก่หลานอบรม ชนมากอายุพรรษาพรรษาของท่านได้48พรรษาพรรษาท่านพ่อของเราได้48พรรษาท่านในมรณภาพเช้าวันที่14พฤษภาคม2529ณสำนักกรรมมตรฐานทารังสีฮ่องกงนั่นละประเทศฮ่องกงเมืองฮ่องกง อายุของท่านได้71ปี10วันพรรษา48ปดพันสานี่แหละคือประวัติอันย่อของท่านแต่จากนั้นท่านเมื่อท่านบวชแล้วท่านก็ได้ติดตามท่านพ่อรีจำพรรษาอยู่กับท่านพ่อรีวัดอโศการามก็เป็นนันว่าท่านเป็นศิษย์ของท่านพ่อรีจากนั้นท่านก็ได้ออกธุดงค์กับหลวงปู่เจ๊หลวงปู่เจ๊จุนโดวัดภูริทัทัตตาปฏิปทาราม ประทุมธานีสมัยท่านเป็นหน่มจากนั้นท่านก็เดินทุโรงขึ้นไปทางจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปศึกษากับองค์หลวงปู่มั่นผูริทัตโตสมัยนั้นหลวงปู่มั่นขึ้นไปอยู่ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็พบได้พบกับครูบาอาจารย์สายกรรมฐานในยุคสมัยนั้นมีหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ชิมหลวงปู่เตื้อหลวงปู่แหวนหลวงปู่พรม ก็เดบพบครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนั้นทางจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็ได้ท่านเจ้าคุณธรรมะเจดีวัดโพธิสมพรที่เป็นลูกศิษย์กนิมนต์กราบพระราธนาธนิมนต์หลวงปู่มั่นลงมาทางภาคอีสานจากนั้นท่านพ่อของเราท่านพ่อเฟื่องของเราลองพร้อมกับหลวงปู่เจี๊ยท่านก็ได้ตามลงมาตามลงมาทีหลัง ก็ได้มาพบกับอยู่กับองค์หลวงปู่มั่นบ้านน้องผือนาในเป็นวรรคสุดท้ายจากนั้นก็ท่านก็ได้มาออกมาทางจังหวัดระยองจันทบุรีของพวกเราจากนั้นท่านก็ได้มาสร้างวัดวาศา ส, สนาวัดธรรมวัชรทิศแห่งนี้จนเจริญรุ่งเรืองนี่แหละคือประวัติขององค์หลวงปู่แต่ว่าพวกเราได้ศึกษาดูแล้วหลวงปู่ท่านเป็นผู้ พูดน้อยแต่เป็นผููเข็งในหลักพระธรรมวินัยเป็นที่ยอมรับในครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงตามหาบัวท่านพูดถึงท่านพ่อของเราท่านว่าท่านพ่อของเราเนี่เป็นรุ่นน้องคงจะห่างจากหลวงตาประมาณ 2- หรือสพันสาท่านว่ายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านพ่อของเราได้ ท, ทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติให้แก่พระพุทธศาสนา ได้แนะนําสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งอาจารย์ชุดชินของพวกเราเนี่ยแหะที่เป็นเจ้าอาวาสเดี๋ยวนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของท่านพ่อของพวกเราแต่ท่านอาจารย์ชินก็เป็นที่รู้จักมักคุ้นกับหลวงพ่อไปมาหาสู่กันเพราะว่าเป็นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเพวัะนั้นวันนี้หลวงพ่อก็เลยมาเป็นปีที่สองนะ เป็นปีที่ปีที่สองมาที่วัดธรรมชฑิตปีที่แล้วมาถึงแล้วก็ฝนตกตั้งแต่ขึ้นมาถึถงตีนเขาจนกลับไปก็ยังฝนก็ยังไม่หยุดเมื่อปีที่แล้วฝนตกเทลงอย่างขนาดหนักว่างั้นแไม่เคยเห็นฝนตกมากขนาดนั้นจนไม่ได้บินทบาทวันนั้นท่านหลวงพ่อจงไม่ผิดนะแต่วันนี้รู้สึกว่า ตรงกันข้ามอากาศรู้สึกว่าอบอ้าวนะแต่ถึงยังไงถึงอากาศจะอบอ้าวก็ขอให้ใจของเราเย็นก็นแล้วกันนะถ้าเราใจเย็นแล้วนะอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขนะแล้ววันนี้ก็ น, นับว่าพวกเราได้มาทำบุญลํำลึกถึงพระคุณอย่างที่อาตมาภาพหรือหลวงพ่อได้กล่าวให้แกคณะกรรมกาญาติโยมได้ฟังได้ศึกษา ครูบาอาจารย์ของพวกเราในยุคนี้สมัยนี้ตั้งแต่ยุคหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์รุ่นต่างหลายหลายองค์ตลอดถึงหลวงตามหาบัวที่ท่านยังทรงธาตุทรงขันอยู่ขณะ น, นี้ล้วนแล้วแต่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อท่านล่วงลับไปบางองค์ก็ได อธิษฐานของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้แก่พวกเราได้กราบได้ไหว้ได้สักการะบูชาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือแนวที่พ่พอแม่ครูบาอาจารย์บอกกล่าวให้แก่พวกเราทั้งทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาถ้าองค์ไหนอธิษฐานของท่านได้เป็นพระธาตุท่านบอกว่าอย่าสงสัยเลยองค์นั้นแหะคือพระอรหรันต์นั้นว่านะ่ะท่านพูดอย่างนั้นอย่าง คุณแม่ชีแก้วก็เหมือนกันถึงจะเป็นชีแต่ท่านปฏิบัติตีปฏิบัติชอบท่านก็ได้กระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุอย่างที่หลวงพ่อได้สร้างเจดีย์ไว้ที่จังหวัดมุกดาหารให้เป็นที่กราบไหว้สักการบูชาหลวงพ่อเองเป็นคนแจกอติธาต์ของคุณแม่กับมือของหลวงพ่อเองแล้วก็ได้เห็นอติธาต์ที่บางองค์พระท่านก็บรเก็บไว้อย่างดี แต่ท่านเปิดขึ้นมาเปิดเป็นที่แปลกใจนะแกพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราเขามั่นใจว่าท่านคงจะไม่ใช่คงจะท่านได้สาเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วตามที่ทํานายของหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าคุณแม่ชีแก้วเป็นอย่างไรท่านเป็นอย่างนั้นในทางด้านจิตใจเพราะนั้นพวกเราได้รับทราบรับฟังจากท่านก็เป็นความจริงจริงนะ อันนี้ก็คือฝ่ายอุบาสิกาถ้าว่าปฏิบัติรีปฏิบัติชอบแล้วไม่ได้เลือกหญิงเลือกชายที่จะชำระกกจิตใจได้พ้นทุกในวัฏฏะสงสารได้ด้วยกันทั้งหมดเพราะนั้นครูบาอาจารย์ของพวกเราสายหลวงปู่มั่นท่านไปศึกษาค้นคว้าอยู่ในป่าดงพงภัยที่ได้ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงปู่มั่นแล้วท่านก็ปฏิบัติเอาจิงเอาจัง อยู่ในภูผาป่าไม้ต่างองค์ก็ต่างได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเมื่อท่านหลวงรับไปครูบาอาจารย์แต่และองค์ก็อธิษฐานของท่านได้กลายเป็นพระธาตุองค์หลวงปู่มั่นไม่ต้องพูดถึงองค์หลวงปู่มั่นเมื่อท่านมรณภาพาไปไม่นานอธิษฐานของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้แก่พวกเราได้กราบไหว้สักการะบูชาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดสกล น, นครจากนั้นครูบาอาจารย์ พวกเราก็หลายองค์ทางนี้ทางนั้นทีนี้มาพูดถึงท่านปฏิบัติอย่างไรท่านจึงได้รู้แจ้งเห็นจริงมรรคผลนิพพานแต่พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาบางท่านบางคนก็ยังไม่สนิทใจยังเพ้อเพยังคิดว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนานะยังคิดอย่างนั้นไปอีกนะแต่ถ้าว่าถามครูบาอาจารย์ชั้นระดับประมาาจารย์หรือว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นแล้ว ไปถามเธอองค์ไหนท่านก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตายแล้วไม่สูนะตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่เกิดนั่นคือใจคือวิญญาณคือนามธรรมนั่นแหละจะพาไปเกิดก็อย่างที่พระพุทธเจา้าที่ท่านได้ไปไปค้นคว้าศึกษาก่อนที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ตัดสรู้อะไรในวันเดือนหกเพนพระพุทธเจ้าตัดสรู้อะไรอพวกเราศึกษาดัวให้ดีพระพุทธเจ้า สิทธัตถะครองราชยี่สิบเกปีจากนั้นท่านเห็นอะไรเห็นความแก่เห็นคนเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายจากนั้นก็เห็นสมณะพอเห็นสมณะก็คือเห็นนักบวชถ้าหากว่าเราอยู่ในครว่าตญาติโยมเป็นครว่าตเป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่างนี้ภาระธุรกิจทุระมาก ไม่รู้จัก บ, บริหารจัดการประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรเพราะท่านสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินการปกครองอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินทั้งหมดเป็นส่วนมากมีเรื่องราวอะไรก็พระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ตัดสินแต่นี้เมื่อพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องรับภาระอย่างมากท่านก็ว่าถ้าว่าเราอยู่เป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่างนี้ก็คงจะไม่มีเวลาหรือว่าแนวความคิดที่จะ ค้นคว้าศึกษาเรื่องจิตวิญญาณได้ถ้าเป็นอย่างสมณะองค์เนี้ยที่ท่านอยู่ตามนั่งอยู่ตามลำพังโครนต้นไม้ น, นั่งหลับตานิ่งขัดสมาธิอย่างนี้คงจะมีโอกาสที่จะค้นคว้าศึกษาเรื่องจิตวิญญาณได้นี่แหละอันนี้คือเห็นสมณะอย่าง่านท่านก็เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายท่านก็ลําลึกถึง ตระกูลของท่านคือปู่ย่าตายายวงสาคขาญาติของพระ อ, องค์ล้มหายตายใจลมหายตายจากไปมากต่อมากมีแต่ทิ้งมรดกทิ้งสมบัติให้ไว้แก่ลูกหลานพระ อ, องค์ก็มาล้ำลึกถึงพระ อ, องค์อีกว่าถ้าเราอยู่ต่อไปภายภาคหน้าเราก็คงจะทิ้งสมบัติให้แก่ลูกหลานเป็นทอดๆกันไปแต่ทํำยังไงเราจึงจะไม่ไม่ตายจะมีวิธีไหม ที่เราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้คือสิทธะที่ท่านล้ำลึกหรือว่าท่านค้นคว้าศึกษาเหมือนเหมือนกับท่านค้นคว้าศึกษาวิทยาศาสตร์อย่างนั้นอ่ะวิทยาศาสตร์ก่อนที่จะเป็นเครื่องบิน เ, เครื่องยนต์กลไกลอะไรเขาก็ต้องคิดประดิษฐ์ขึ้นมาซะก่อนหยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็ต้องคว้าค้นคว้าศึกษาแต่นี้พระพุทธเจ้าท่านก็คิด เ, เรื่องเนี่ยเรื่องจิตวิญญาณเนี่ย ทำไมคนจึงเกิดและทำไมคนจึงตายตายและเกิดมาได้อย่างไรและท ำ, ทำไมขยายพันธุ์อย่างไรทำไมจึงคนจึงเกิดเกิดแล้วเมื่อตายไปแล้วตายแล้วศูนย์หรือตายแล้วเกิดศูนย์แล้วศูนย์อย่างไงและเกิดแล้วเกิดอย่างไงอันนี้คือในยุคสมัยนั้นก็เป็นที่สงสัยของคนทั้งหลายแต่ไม่รู้จะถามใครมีถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกเขาลงทุนกระทั่ง จับนักโทษมาแล้วนะจับนักโทษประหาร น, นะพอจับมาแล้วเขาก็ยัดใส่ในหม้อกระทะใหญ่จากนั้นเขาก็เอาหนังควายนะมาปิดปากแล้วก็ขันเสนออย่างดีจากนั้นก็ไปย่างไฟเอาไปต้มที่ไฟมันนั่ง ด, ดูวิญญาณจะออกมาจะออกได้อย่างไรวิญญาณจะออกได้อย่างไร เขาทำถึงขนาดนั้นแปลว่าเขาสงสัยเรื่องตายแล้วเกิดถึงตายแล้วศูนย์ไม่ใช่น้อยไม่แพ้พวกเราท่านทั้งหลายแต่นี้ไปนั่งยังไงมาก็ไม่เห็นเพราะเหตุไรเพราะวิญญาณมันเป็นนามธถัมมันละเอียดละเอียดกว่าไอ้ภายนนันพระพุทธเจ้าของเรานี่ท่านจึงได้หนีจากเวียงวังออกไปค้นคว้าศึกษาอยู่ในป่าดงพงภัยถึงหกปีจากนั้นพระองค์ก็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 ให้จดจําเอาไว้เนี่ยกรรมฐานพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้ในวันเดือนหกแผ่ น, นั้นท่านภาวนาอะไรคือกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นไม่คิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่คิดถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยู่เสมอ จากนั้นจิตใจของพระ อ, องค์หรือปฐัยของพระ อ, องค์นา ม, มนธรรมของพระ อ, องค์ที่ปุ่งฟุ้งอยู่ตลอดทั้งวันก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌาน เ, เมื่อเกิดฌานขึ้นมาท่านก็ระลึกน้อมจิตระลึกถึงอดีตชาติพอน้อมจิตระลึกถึงอดีตชาติาว่าปุพเพเนว า, านุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้ พระพุทธองค์ระลึกชาติพ้นหลังได้เหมือนกับเราลึกเราระลึกถึงเมื่อวานอย่างเี้ยวันก่อนเดือนก่อนอาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนจากนั้นก่อชาติก่อนไปอีกห ล, หลายชาติเพราะญาณทัศน ะ, ะหรือว่าที่พระพุทธองค์ได้นั้นเป็นของละเอียดเป็นของพุทธเป็นความรู้พิเศษจากนั้นพระองค์ก็ได้น้อมจิตระลึกถึงอดีตชาติหลาย เป็นสิชาติร้อยชาติหมื่ชาติแสนชาติจะดูเท่าไหร่ใต้ทั้งหมดอันนี้แหละปุเพเนวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้เพราะฉนั้นคณะรัตยายาตโยมทั้งหลายที่ได้ศึกษาหรือได้เป็นพุทธมาม ก, กะหรือเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าให้เชื่อเถออิเดว่าตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกถ้าตายแล้วสูนพระพุทธเจ้าระลึกชาติผลหลังไม่ได้แต่ได้มาพูดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สายหลงปู่มั่นของเราไม่ต้องพูดสายอื่นสายหลงปูมั่นที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านไปปฏิบัติดูตามป่าดงพงไพ่ไปนั่งภาวนาหลับหูหลับตาอยู่ในป่าดวงพงไพ่ท่านได้นํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสรุนะ่ะเรื่องสมาธินี่แหละ เ, เป็นเครื่องพิสูจน์จากนั้นพระ อ, องค์ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้ไปนนั่งอยู่ในป่าดวงพงไพ่อยู่ในที่สงบสงัด ทําจิตใจให้เป็นสมาธิเมื่อจิตใจจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งแล้วท่านก็รู้ได้ตัาเออร่างกายเนี่ยกับใจเนี่ยมันคนละอ่านกันในร่างกายของเราพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยมีสองอย่างคือรูปประธรรมและนามธรรมรูปประธรรมคือร่างกายขาสองแขนสองศีรษะตาหูจมูกลิน้นกายทักทุกส่วนเนี่ยคือรูปประธรรมส่วนนามธรรมนั้นคือความนึกคิดความรู้ แต่พวกเรามองไม่เห็นด้วยสายตามองไม่เห็นความนึกคิดของพวกแต่ละคนแต่พวกเราปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเราไม่ได้นึกไม่ได้คิดไม่มีความรู้อันนั้นแต่พวกเรารู้ได้ว่าตัวของเรามีความนึกคิดดูในตัวของเรานี่แหละพราะพระพเจ้าถ้าหากว่าพวกเราไปนั่งสมาธิจิตใจสงบลงเป็นหนึ่ง แต่ว่าการนั่งสมาธิของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์นั่งขัดสมาธิแล้วกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นยาวมีสติสัมปชัญญะแต่หลวงปู่มั่นของพวกเราที่ท่านนํามาแนะนําสั่งสอนคณัตสิทธิ์ของท่านท่านบอกว่าหายใจเข้าบริกรรมว่าพุดหายใจออกบริกรรมว่าโท อันนี้คือกรรมฐานของหลวงปู่มั่นที่ท่านเพิ่มเขาเองให้ว่าพุทธโถหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ ถ, ถ้าว่าเรากําหนดเฉยๆมันจะหลุดออกไปได้ง่ายๆแต่ถ้าว่าเราบริกรรมพุทธโถด้วยมันจะมีเครื่องยึดอีกส่วนหนึ่งคือไม่ให้มันมันหายปั๊บต่อหน้าต่อตาแต่เราบริกรรมพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ หายใจเข้าพุทโทพุทธโธให้มีสติสัมปชัญญะในการบริกรรมลมกระทบที่ไหนที่ปลายจมูกที่ปลายจมูกเราก็เอาสติอยู่ที่ปลายจมูกนั้นอย่าตามไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องแล้วก็ไม่ต้งไม่ต้องตามลมออกไปให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมูกที่ลมกระทบที่ดั้งจมูกที่ชานสมุกจานจานจมูกให้ยืน ถ้าเปรียบเทียบกับคนก็ให้ยืนอยู่ข้างประตูนะนคนเข้าไปก็รู้ว่าคนเข้าคนออกมาก็รู้ว่าคนออกไม่ต้องตามคนเข้าไปและไม่ต้องตามคนออกมานี่ก็เหมือนกันให้สติอยู่ที่ปลายจมูกอย่าไม่ต้องตามลมเข้าไปและไม่ต้องตามลมออกมาอันนี้แหละคือให้มีสติสัมปชัญญะเอเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะจิตของเราก็จะเข้าสู่ความสงบรวมรวมหนึ่งเพราะเหตุไรเพราะ จิตไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านไม่ไม่หิวไม่หวยไม่คิดปุงออกไปข้างนอกจิตก็จะรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ว่าเออร่างกายกับใจเนี่ยร่างกายคือรูปประธรรมใจคือนามรธรรมมันคนละอ่านกันแต่อาศัยกันอยู่เหมือนกับรถกับคนขับรถรถเป็นยังไงคนขับรถเป็นยังไงอันเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่แต่รถ ต้องอาศัยคนขับร่างกายของเก ข, ของเราก็เหมือนกันต้องอาศัยวิญญาณฤทธนามธรรมต่เนี่ยนะเข้าไปสิงสถิตยอยู่ในร่างกายจากนั้นก็อบอกบง่งร่างกายให้ทําการทํางานหรือขับเคลื่อนไปได้แต่ถ้าว่าวิญญาณออกจากร่างแล้วเหมือนกับคนตายคนนั้นจะไม่ขยับไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะวิญญาณออกจากร่างเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านไปศึกษาค้นคว้าและก็มา ประกาศพระธรรมคําสอนออกมามากมายในพระไตรปิฎกจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของเราก็จะนํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติไปกันคลองอยู่ในป่าตรงพงไผ่จนรู้แจ้งเห็นจริงเชื่อมั่นในธรรมคาสอนว่าตายแล้วไม่สูญอย่างทีพ่พระพุทธเจ้าพูดจริงๆตรัสจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าทําเลยกรรมชั่วกรรมชั่วนั้นจะต้องให้ทุแก่คนผู้กระทำํำ ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ตอนหวัวค่ำปุกเพนวาสานุสติญาณและลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนท่านได้ตัดสรุปทำไม้ว่าจุดูปปาตยานการจุติของสรพสัตทั้งหลายทําไรรมสัพสัตทั้งหลายมาเกิดมาเกิดได้อย่างไรออกจากที่นี่แลออกจากที่นี่แล้วจะไปที่ไหนพระพุทธองค์ก็ได้มองดูวิถีการเดินของวิญญาณคือใจของทุกคนทุกวิญญาณ มาจากไหนมาเกิดมามาจากที่นี่มาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่จะไปไหนก่อนที่จะมาเกิดเขามาด้วยอะไรบางคนก็มาด้วยกรรมชั่วอในอดีตชาติของเขาเขาทำกรรมชั่วจากนั้นกรรมชั่วนั้นพามาเกิดพอมาเกิดก็อวัยวะตาหูจมูกกายอวัยวะทุกส่วนปิดปกติมาเกิดแล้วยังเป็นคนทุกข์คนจนอีกต่างหากเพราะขจนเพราะอะไร พระพุทธเจ้าบอกว่าในอดีตชาติเขาขี้เกียจทําบุญทําทานเขาขี้เกียจแบ่งปันให้แก่ใครไม่เคยสงเคราะห์ออนุเคราะห์พ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างที่หลวงปู่ท่อนได้พูดนั่นเป็นคนขี้ตันีทีเหนียวเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็เป็นคนที่อดอยากเพราะเหตุใดเพราะอันนี้อนนี้สงทานไม่มีแล้วก็เขาทําไมอายุสั้นพอเกิดมาแล้วทําไมอายุสั้นแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ไม่เหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขาทำไมไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่คนนี้เกิดมาทําไมมีเพราะพุทธองค์ก็บอกว่าอันนี้สงสีนเขาไม่ดีแต่พบก่อนชาติก่อนเขาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบรังแกสัตว์ไอ้พะฉะนั้นเกิดมาพบนี้ชาตินี้เขาจึงอายุสั้นและก็ทุบพลภาพในร่างกายเพราะเขาลังแกเบียดเบียนสัตว์พราะพุทธองค์ก็รู้เนี่ยวิญญาณมาเกิดเพราะกรรมเก่ากรรมเก่าพามาเกิดจากด้านท่าง พอมาเกิดแล้วแต่ทําไมคนนี้ชอบคนมาขโมยของเละเกินเอาของไว้ที่ไหนก็นมีแต่คนมาขโมยแย่งชิงมาขามโมยอยู่ตลอดเพราะเหตุไรเพราะพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยในอดีตชาติเขาเคยเป็นขโมยมาก่อนชอบเบียดเบียนเขาชอบขมโมยสิ่งของของคนอื่นเขากรรมเก่าของเขาวิบากกรรมของเขาเนี่แหละมาท่านมาใช้กรรมแล้วเนี่ยนี่แหละ และกักาเมสุมิชฉาจานก็เหมือนกันสามีภรรยาทะเลาะบวิแว้งกันไม่ฟังคากันลูกก็ไปทางหนึ่งพ่อไปทางหนึ่งแม่ก็ไปทางหนึ่งไม่ประสานสัมภารีกันเพราะเอร์ไรเพราะว่าเขาไม่เคารพในศีลข้อที่สในข้อที่สี่ 4, มุสาวาทาเว ร, รมานีพูดที่ไหนน่าเชื่อถือเชื่อฟังแต่ไม่มีใครฟังพอเพราะเหตุไรเพราะว่าเขาชอบพูดโกหกพกลมมาโดยตลอดเอ แล้วก็ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคําอีกต่างหากครเพราะเหตุไรเพราะว่าเขาชอบโกหกในอดีตชาตินี่แหละอันนี้สงสีนเขาไม่ดีนะแล้วก็เกิดพวกที่ดื่มสุราเสพสุราคัญชายาฟินเฮโรอีนของมื่นเมาเกิดมาพบนี้ชาตินี้ก็เป็นคนปัญญาอ่อนอไม่มีปัญญาปัญญาอ่อนปั๊มปัมเป๋เ ป, ป, ป, ปคิดอะไรก็ไม่ออก เ, อเรียนหนังสือก็ไม่ได้ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นท่านบอกว่าเนี่ยพวกนี้หนักไปทางมืนเมาเออเสพธุราคัญชายาฝินออชอบของมืนเมาเออบาปกรรมตัว น, นั้นพามาเกิดนี่แหละขอให้พวกเราคณะสัตยาติโยมทุกหมู่เหล่านะความเป็นมาของแต่ละวิญญาณแต่ละคนนะมันเป็นมาเพราะกรรมกรรมคือการกระทําในอดีตชาติพามาเกิด เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจีว่าอย่าทำกรรมชั่วอักตังทุ ก, กตังเสยโยปัชติตปฏิทุ ก, กตังกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้ผลทางไม่ดีเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายรู้ได้ศึกษาทรละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าทำในสิ่งที่มันไม่ดีทำแต่สิ่งที่ดีมีเหตุมีผลทำ คิดอะไรจะทําอะไรก็ขอให้พวกเราเป็นคนเป็นคนดีถ้าเป็นพระก็เป็นพระที่ดีนะหลวงพ่อได้ไปพูดที่งานของคุณแม่นะชีพิมพ์พาที่เห็นหมึกเป่งหลวงพ่อเห็นพระมากนะหลวงพ่อก็ได้บอกกับเออลูกหลานนะเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็ไม่ว่าพราะเป็นครูบาอาจารย์ผ่านพ้นไปแล้วนะได้ศึกษาไปแล้วอายุพรรษามากแล้วท่านรู้ดีรู้ชั่วรู้สิ่งควรไม่ควร ท่านผลปากแร้งปากกามาแล้วท่านเป็นพระเป็นประมาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราแล้วอันนั้นหลวงพ่อไม่ห่วงแต่ห่วงพวกน้องๆ้ลูกลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังนี่แหละพวกเราเกิดมาจะเดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินตามแนวแนวแถวปฏิปทาของสายหลวงปู่มั่นของพวกเราแต่บางท่านบางคนก็ไปแวะไปในทางที่ไม่ถูกต้อง อย่างที่หลวงพ่อเปรียบเทียบวนี่ในหน้าห น, าหนังสือพิมพ์พระขายยาบ่งยาว่าคัญชายาฟิน่นเราก็ได้ยินเมื่อได้ยินแล้วพวกเราไม่สบายใจไม่ใช่หลวงพ่อไม่สบายใจองค์เดียรพุทธบริษัทสี่ไม่สบายใจเพราะเหตุอะไรเพราะพระไม่น่าจะทําอย่างนั้นพระเขาก็ถวายอาหารการบริโภคก็มีอยู่มีชั้นอยู่แล้ว ทำไมจะไปหาคิดทําอย่างนั้นเมื่อทําอย่างนั้นเข้าไปแล้วความเสียหายไม่ได้เกิดอยู่กับพระกอพระขอนายกอนนายงอนะมันเสียหายกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาพื้พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พระปฏิบัติตนอย่างไรให้มีศีลอย่างไรให้ประพฤติตนอย่างไรแต่เราเข้ามาแล้วเราทําไม่ดีทําให้วงการพระพุทธศาสนาเสียหาย อยากจะเตือนพวกน้องๆทั้งหลายด้วยนะถ้าพวกเราไม่พูดไม่คุยกันไม่บอกกล่าวกันก็ไม่รู้ว่าใครจะพูดครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์ท่านก็ไม่กล้าพูดแต่หลวงพ่อเนี่ยเห็นแก่วงศาคณาญาติเห็นแกนญญ่ญาติมิตรสหายเห็นแกญญน่แกพุทธบริษัทสีหลวงพ่อขอกล่าวตึกตักเดเตือนพวกน้องๆลูกห ล, ล, ล, ล, ลา น, ลานทั้งหลายนะให้เป็นพราที่ดีในดำรงทรงศาสนาถ้าว่าพวกเราทาตนดีแค้ดีไม่ได้ อยู่ในศาสนาไม่ได้เขาก็เปิดช่องเปิดทางให้แล้วเป็นฆราวาสญาโยมเราก็ออกไปสิเราอยู่ทําไมทำไมอยู่ไปแล้วก็เสียเสียวงการพระพุทธศาสนาเสียทำความไม่ดีโดยไม่เจตนาก็เสียหายได้เหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราคิดดูให้ดีนะคณะลูกหลานนะเราเห็นคนอื่นเขาเมื่อเราเป็นฆราวาดเราเห็นคนอื่นเขาว่าพระทอาะทอย่างนุ่นพระทาอย่างนี้เราก็ตาหนิเขา แต่พอเราเข้ามาบวชแล้วยิ่งทําแย่กว่าเขาไปอีกเอเมื่อเป็นครว่าเราก็พระอย่างนี้เรากราบไม่ลงเรากลับไม่ลงพระปฏิบัติอย่างเนี้ยทําตัวอย่างนี้พูดอย่างนี้ทําอย่างนี้เรากลาบไม่ลงแต่พอตัวเองเข้ามาแล้วทําตัวอย่างนี้แหละให้ดูตัวเองใช่ไหมถ้าหคงว่าเราทําตัวอย่างนี้คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทําอย่างนี้เรากลาบเราลงไหม เรากราบเราลงไหมการกระทําอย่างนี้ถ้าเป็นคนอื่นคิดอย่างเราเดียเ๋ยวนี้เรากราบเข้าไปเจ้าลงใหม่ถ้าเรากราบตัวเองยังไม่ลงแล้วจะให้คนอื่นกราบเราลงได้อย่างไรออกราบก็กราบแบบปลอมๆเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่มีศีลไม่มีวินัยอยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะลูกหลานทั้งหลายพระเนรทั้งหลายนะให้คิดนะหลวงพ่อว่านะออแล้วก็พร้อมกันข อ, อให้พวกเราเออประพฤติปฏิบัติ ให้อยู่ในกรอบอหลักพระธรรมวินัยให้เคร่งรัดต่อไปก็จะได้เป็นผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าก็เป็นสง่าราศีเป็นพระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้มีศีลมีธรรม อ, อันนี้คือฝ่ายพระสงฆ์สำหรับฝ่ายฆราวาดญาติโยมทีนี้หลวงพ่อก็บอกว่านี้นะข้าราชการจะเน้นข้าราชการก่อนข้าราชการทุกหมู่ทุกเรา ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยโดยว่าจะไม่มีใครพูดแต่ลวงพ่อเนี่ยขอเตือนไม่ใช่พูดให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคณะในนดคณะหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งพูดเป็นภาพรวมพวกเราได้คิดบ้างไหมว่าพวกเราทำงานทุกวันนี้เรากินเงินเดือนของใครกินเงินเดือนของรัฐบาลใช่ไหมรัฐบาลเก็บภาษีอากรจากใคร เก็บภาษีอากรจากพี่น้องประชาชนใช่ไหมในเมื่อเรากินภาษีพี่น้องประชาชนที่เขาเสียภาษีให้เงินเดือนแก่เราเราทํางานขนาดนี้คุ้มค่าเงินเขาไหมให้ถามตัวเองนะถ้าเราทํางานขนาดนี้คุ้มค่าเงินเขาไหมถ้าเราเป็นเจ้าของเงินเราจะกล้าจ้างเราไหมถ้าเราทํางานอย่างนี้ถ้าว่าพวกเราคิดอย่างนี้ไว้อยู่เสมอการทําการทํางานของเรา ก็จะไม่ขาดตกบกพ่องจะไม่คอรับชั่นเวล่ำเวลาจะไม่ตกติกในการทำการทำงานทำด้วยความตั้งใจทาด้วยความจงใจการทำสิ่งไหนให้คุ้มค่ากับเงินของเขาที่เขาว่าจ้างเราเนี่ยอันนี้ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดสอนให้คนคิดไม่ใช่ขอการพูดและการแสดงธรรมและการแนะแนวเนี่ยคือสอนให้พวกเราได้คิดไม่ใช่พูดจบๆไปแ ล, ะะแล้วไป สำหรับพี่น้องประชาชนเท่นีพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าพวกเรามีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นวงสาคานาญาตพวกเราให้เป็นพลเมืองเป็นพลเมืองดีถ้าเป็นพ่อก็เป็นพ่อที่ดีของลูกทั้งหลายถ้าเป็นแม่เป็นแม่ที่ดีอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีให้แก่ลูกหลานเขาได้เห็นถ้าเราเป็นพ่ออยากจะให้ลูกของเราดีเราก็ต้องทาดีให้ลูกของเราดูถ้าเป็น ถ้าเป็นแม่บ้านก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะให้ลูกสาวหรือว่าลูกหลานของเราเป็นคนดีเราก็ต้องทำดีให้แก่ลูกลูกลูกหลานของเราดูอย่างลูกพ่อก็เหมือนกันอยากจะให้ลูกศิษย์ดีก็ต้องทำดีให้ลูกศิษย์ ด, ดูอ่าแล้วก็ลูกศิษย์ก็เหมือนกันอ่าทำดีที่สุดเมื่อเราเป็นลูกเอออย่าให้นักพ่อแม่หนักอกหนักใจอย่าให้ครูบาอาจารย์หนักอกหนักใจกับพวกเรา ถ้าว่าพวกเราคิดดูตัวเองว่าข้าพเจ้าบุกพ่องที่จุดไหนตรงไหนในขณะนี้เดี๋ยวนี้ในการเป็นอยู่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทําดีที่สุดในขณะที่ข้าพเจ้าทําสรุปแล้วก็คือศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยพวกเรานํามาคิดนํามาพิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุและผลแล้วสรุปแล้วก็คือศีลธรรมจริยธรรมศีลธรรมคือเอ่วความประพฤติขีดห้ามจริยธรรมธรรมก็คือ ความประพฤติอย่างที่พวกเราไปฆ่าเขาอย่างสินข้อที่หนึ่งเมื่อเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราเรามีความรู้สึกยังไงถ้าเราไปหมายหัวเขาว่าฆ่าจะต้องให้ฆ่าคนนั้นคนนี้แต่เขาก็มาหมายหัวเราเรามีความรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขานี่แหละคือจริยธรรมเมื่อเราไปขโมยของเขาขโมยพ่อแม่ลูกหลานของเขามาเรียกค่าไทย ถ้าเขามาขาโมยของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรนี่สรุปแล้วก็คือใจเขาใจเราสามีภรรยาคนอื่นก็เหมือนกันถ้าเขาเขาก็รักสังเวนหวงแห็นของเขาบุตรสามีภรรยาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาอธิปไตยของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอันนี้คือสิ่ข้อที่สามข้อที่สี่มุสาการต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาดีไหมแหอถ้าเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงเราละ่ะเป็นยังไง มาโกโหกเรามาต้มตุนหลอกลวงเราเอาของปลอมออมาบอกว่าของจริงหรือเขียน เ, เช็คปลอมมาให้เราหรือเอาเงินปลอมมาให้เราเ อ, อโกโหกเราอย่างนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปทําให้แก่เขาล่ะเขามีความรู้สึกอย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราคิดให้ดีก็แล้วกันข้อที่5สุราเมระยะมชัปประมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทกัน คนดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติทําความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่กไ็ได้ฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ลาลาบละล่วงสามีภรรยาของใครก็ได้โกหกใครก็ได้ไม่ไรเพราะคนขาดสติคนขาดสติไม่ไสามารถที่จะยับยั้งตัวเองได้ทําความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นการดื่มสุราและเมลัยเป็นของไม่ดีพูดอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราฟังนะสิงของพระพุทธเจ้าเนี มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรแล้วกัพวกเรานํามาประพฤติธปฏิบัติแล้วมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขและหลวงพ่อได้พูดอีกว่าอย่างทุกวันนี้นะแต่หลวงพ่อเองก็ไปอยากจะพูดหอกเรื่องการบ้านการเมืองแต่หลวงพ่ออยู่ในป่าดงพงไปเป็นพระป่าหลวงพ่อเป็นสีอะไรหลวงพ่อดีว่าหลวงพ่อพูดดีว่าหลวงพ่อเป็นสีกลับสีกรรมฐานสีอะไรสีแก่นขนุน เ, เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าหลวงพ่อ อยู่ในป่าดวงรงไพง่พงดวงพ่อนั่งหลับตานะ่ะนั่งหลับตาคิดนะเออลูกหลานเนี่โลกสมัยทุกวันนี้ทําไมไม่คิดไม่อ่านถ้าพวกเราคิดให้ดีแล้วหลบพ่อว่าไม่น่าจะเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะทำต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาสิเพราะเหตุไดถ้าเราไปปิดในกิจการของเขาอย่างลาดประสงค์รัดประเสิทธิ์อย่างที่ทุกวันนี้นะไอ้ที่เขาฮือหากันอยู่เลยเนะี่ย ในกลุ่มในกลุ่มนั้นน่ะเขามีพ่อมีแม่มีลูกมีเต่าเขาทํางานเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าของเขาถ้าเราไปปิดเขาเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรเอีเขาก็ทุกข์ใจอย่างมากเพราะไม่มีเงินเดือนอาจจะไม่มีเงินเดือนกินถ้าเรามาเขามาปิดวัดของเราล่ะเนี่มาล้อมวัดของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเราก็อึดอัดเหมือนกันทตนี่ถ้าหากว่าคนมาปิดทางไปกรีดยางของพวกเราเออไปปิดถนนไม่ให้เราไปกรีดยางไม่ให้เราไปทำเออมันสำปะหลัง ปลูกมันสัมปหลังปลูกข้าวโพดอย่างเนี้ยปลูกข้าวอย่างเนี้ยเขาไปปิดทางไปไร่ไปนาไปทํามาหาเลี้ยงชีพของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเราก็อึดอัดเราก็เสียใจอย่างมากเพราะเหตุไรเพราะเราไม่สามารถที่จะไปทํากิจการงานของเราได้เนี่เราจะทํำยังไงเราจะหาอะไรมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าพวกเราคิดให้ดีนะคิดให้ดีคิดให้รอบคอบเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขา สิ่งไหนที่มันจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนพวกเราก็ไม่ควรจะทำนะหนะลวงพ่อว่านี้คือทาคําสั่งสรรอนของพระพุทธเจา้าพุทธมามกะพุทธบริษัทสี่ของของพระพุทธเจ้าควรจะคิดจากนั้นนะในระลวงพ่อไม่ได้พูดให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคณะในนดคณะหนึ่งคือพูดให้ทุกคนใ น, ในเกิดมาในโลกให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทํา ถ้าทําแล้วทําให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นทุกข์กับตัวของเราเองเพราะฉะนั้นพวกเราขนศตาทาญาทโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะเมื่อได้ยินแล้วนําไปคิดดูสิว่าหลวงพ่อเนี่ยพูดรุนแรงไปหรือเปล่าแต่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อพูดถูกนะเอาศีลเอาธรรมมาพูดเอาใจเขามาใส่ใจเราอไม่ต้องว่านิติศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรไม่ต้องว่ากันนะาศาสตร์ต่างๆนี่ เอาหัวใจเขามาใส่ใจเราเลยเออใจเขาใจเราไปใส่ใจเขานะี่เท่านั้นแหละพอศีลธรรมของพระพุทธเจ้าประนั้นขอให้คณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะอ่ที่ลงพ่อพูดให้ฟังแนวความคิดในหลักของพระพุทธศาสนาอนะ่แล้วก็พร้อมกันคนเราเกิดมาเออกรรมเป็นผู้พานำมาเกิดอย่างที่ลูกพ่อได้กล่าว จากนั้นพระพุทธเจ้ า, าก็สอนว่าจะทำยังไงจึงจะไม่มาเกิดเวียนว่ายตายเกิดอีกพระพุทธเจ้ า, าก่อนเนี่นละไปค้นคว้าศึกษาที่โครนต้นโพวันเดือนหกเพนตอนสุดท้ายาอาสาวะขยยยานพระพุทธองค์บาเพ็ญเป็ดนดวงจะสว่างพระองค์ได้ตัดกิเลสคือราคะโทสะกโมหะออกจากพรรยของพระองค์ใจของพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่มาเวียนไหวาตายเกิดพระองค์ก็รู้แก่ใจว่ากิเลสหลุดออกจากใจของพระองค์แล้วพระองค์ตัดกิเลสราคะโทสดาออกโมหะออกแล้วยังเหลือแต่ความบริสุทธิ์ใจของดวงนี้เป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรมรมเป็นใจอมบริสุทธิ์แล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้วนิพพานังปร r a m a สุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปร r a m a n ศูนยอย่างนิพพานศูนยศูนย์อะไรศูนย์แล้วทำไมจึงสุขศูนย์เชื้อ เชือที่จะทํา ใ, ให้เกิดอีกนั้นผร้งทําให้ชําระออกแล้วจบแล้วที่จะทําให้เกิดอีกจบแต่ไม่มาไม่มากวนอีกแล้วเหมือนกับเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวคือมีเปลือกมีตามียางก้องมันแต่กระเทาะเปลือกออกซะแล้วก็ไป น, นึ่งอีกต่างหากให้มันสุพกพอมันสุกแล้วเอาไปปลูกที่ไห น, นมันก็ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะมันสุกแล้วอันนี้ก็เหมือนกัารพระพุทธเจ้าใช้แต่ประธรรม คือศีลสมาธิปัญญากานกรองไตรตรองเผากิเลสออกจากพระไทยของพองค์ใจของพระองค์ก็บริสุทธิ์เหมือนกับเรานึ่งข้าวอย่างนี้นั่งนึ่งข้าวสุกเลยสูญไหมมันก็ไม่ศูนย์แต่มันศูนย์อะไรศูญเชื้อเชื้อที่จะทําให้เกิดศูนย์แล้วแต่ว่าถ้าว่า เ, เมื่อศูญเชื้อแล้วไม่มีอะไรที่จะมาลบ ก, กวนใจหนระือพระไทยใจดวงนั้นพระไทยดวงนั้นได้แล้วนั่นแหะคือความบริสุทธิ์ถ้าว่ามีเชื้ออยู่ เนีเหมือนกับเตะพูดบอลกิ่งไปกิ่งมาใจของเรากิ่งไปกิ้งมาเพราะว่ากิ เ, เลสมันเตะคิดโลภก็เตะให้ท่านหนึ่งโกรธก็เตะให้ท่านหนึ่งหลงก็เตะให้มนมันกิ่งไปกิ่งมานีแต่บัด น, นีเ้เรากําจัดออกแล้วผู้ที่มาเตะ อ, อใจของเรานะั้ตัดออกแล้วจิตใจของเราบริสุทธิ์แล้ว เ, เราไม่มีความเยื่อใหยกับอะไรอีกแล้วจังวัด น, นิพพานังปรังสุขขัง เ, เพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมากวน ให้พระไทยใจตรงนั้นได้อีกแล้วนี่แหละนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นขอให้พวกคณะัตาติญาติโยมทุกทุกท่านนะตายแล้วไม่สูญนรกสวรรค์มีจริงบาบุญคุณโทษมีจริงถ้าใครทํากรรมชั่วและกรรมชั่วนะั้นจะตามสนองถ้าว่าไทยใครทํากรรมดีกรรมดีก็จะพาพวกเราไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายคงสมควรอย่างยิ่งที่จะทําแต่คุณงามความดี เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาอย่าทำให้เขาหนักใจอย่าทำให้เขาเดือดร้อนถ้าเราทำให้เขาเดือดร้อนแล้วนะ่ะบาปกรรมตัวนั้นละ่ะจะตามสนองพวกเราถ้าว่าพวกเราทำแต่กรรมดีไปนสถานที่ใดมีแต่ความมีแต่คนยกย่องเชิดชูบูช า, าไปที่ไหนมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขยิ้มแย้มแจ่มใสไปที่ไหนมีน้ำใจมีเมตตาต่อกันเพื่อนมนุษย์ชาตาิช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โลกทั้งโลกก็น่าอยู่แต่ถ้าหากว่าพวกเราไปที่ไหนเห็นกันและมีแต่หญิงเขี้ยวหญิงฟันมจะกัดกันเหมือนกับสุนนะัขน่ะไปยังไงเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนคนให้เป็นคนดีให้มีคิริกให้มีโอตตปะให้และเลื่ถึงคุณงามความดีให้มีศีลมีธรรมให้มีศีลธรรมจริยธรรมในจิตในใจแต่โลกทั้งโลกก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุข อันดับแรกก็คือเราเนี่แหละจะเป็นสุขก่อนเพื่อนจากนั้นก็เมื่อเราทำตนให้เป็นคนดีแล้วต่อไปก็โลกทั้งโลกกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบกสิสองเป็นสี่ไปเรื่อยใช่ไหมร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันการพูดและการแสดงธรรมในวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวประวัติของหลวงท่านพ่อของพวกเราให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะท่านพ่อของเรา ท่านเป็นผู้ปฏิบัติีปฏิบัติชอบเป็นพระสุปฏิปันโน เ, เป็นพี่เป็นที่ยอมรับของภาคตะวันออกเป็นภาคตะวันออกของพวกเร า, เ, าเป็นลูกศิษย์ท่านโพอรีพันษาของท่านก็48่พันษาเป็นพระมหาเทระท่านหนึ่งแล้วก็เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนาทุกหมู่ทุกเหล่าที่ได้มาพบมาเห็นในองค์ของท่าน จากนั้นท่านก็ได้ร่วงรับดับขันไปพันษาของท่านก็ทั้ง48ภรรษันาและก็พร้อมกันคณะสัตย า, าติโยมมาวันนี้ก็รู้สึกว่าแน่นถนัดไปหมดบริเวณตีนเขาบริเวณบนเขาเพราะด้วยความเคารพนับถือในองค์ท่านพ่อของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราไม่ใช่เคารพรักเฉยๆนะพวกเราต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปด้วยเพื่อให้มี มีน้ำใจให้มีเมตตาและก็พร้อมกันให้มีศีลอศีลอย่างที่ว่านศะีลห้าประการนะออย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวศีลห้าข้อนั่นคืออะไรสรุปแล้วก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ยกใจเขาและก็พร้อมกันกับศีลข้อที่ห้านั่คือสุราอย่าไปดื่มสุราถ้าพอดื่มเข้าไปแล้วมันจิตตัวขขาเองตัวเราเองขาดจิตเมื่อขาดจิตแล้วจับยัง้งชั่งเอ ตัวไม่ได้ผลที่สุดก็ทํารรความชั่วเสียหายเกิดขึ้นกว่าจะรู้ได้กุ้นอยู่ในคุกอยู่ในตารางพ้อแรงนะเป็นคดีความจนพ้อแรงแก้ไขไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะคนเมาเพราะฉะนั้นพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่ากินชุลาเข้าไปต้องเมาคุณทําไมจึงทําเพราะผมเมาก็รู้อยู่แล้วก็รู้ว่ามันเมาทําไมไปกินมันฮะถ้ากินน้ํำเ ป, ปลา่ากินดื่มน้ำเปล่าเฉยๆมันก็ไม่ เ, า ม, เมาถ้าไปดื่มชุล า, าไม่ก็เมาก็รู้อยู่แล้วมันมจะเมาไปดื่มทําไม เพราะนั้นขอให้พวกคณะรัตย า, าติโยมทุกท่านศิลธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเหตุมีผลนะก่อนที่จะทําอะไรลงไปต้องคิด อ, อ, อย่าให้พ่อแม่พี่น้องหนักใจพวกเราเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันนะพระลูกพระหลานพระน้องพระนุ่งทั้งหลายให้เป็นพระที่ดีนะให้เป็นที่ยอมรับของคณะสัาาตยาธิโยมให้เขากราบไหวด้วยความสนิทใจอย่าไปเป็นพระออกนอกหลู่นอ ก, ก, นอกทาง ถ้าเป็น้านอย่างนั้นขึ้นมาแล้ววงการของพระพันธศาสนาของพวกเราหน้าคิดน ะ, ะและก็พร้อมกันข้าราชการทุกหมู่บวยทุกเหล่าก็เหมือนกัน อ, อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเราเได้ใช้เงินได้กินเงินเดือนของข้าราชการเงินเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนก็ให้ดู ต, วตรวจตาดูตนเองอย่าไปคิดว่าขาพเจ้าเงินน้อยขาดไเจ้าเงินเดือนไม่เพียงพออ่า แล้วเรากินเงินเดือนของใครถ้าเป็นเงินดึกของเราเรากล้าจ้างเราไหมถ้าเป็นเงินของเราเนี่ยเรากล้าจ้างเราไหมให้ถามดูยอยู่างนั้นแต่ถึงยังไงก็ถ้าว่าเราทำดีแล้วมันเงินเดือนก็ขึ้นเองนะถ้าเราทำตัวไม่ดีแล้วมันก็ขึ้นอย่างเหมือนกันแล้วก็พร้อมกันพี่น้องประชาชนอยากจะให้ลูกหลานดีก็ต้องทาดีให้ลูกหลานดูอย่าไปทาในสิ่งที่มันไม่ดีกระพร้อมกันก็ให อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นจุกท่วนหน้ากันหลวงพ่อได้ยกบาลีเบื้องต้นว่ากาโลคาสติภูตานิสัพพาเนวสหัตตนาการเวลาย่อมกลืนสัพสัตพร้อมกับตัวของมันเองการเวลาก็คือวันคืนเดือนปีนั่นะเอ หมดไปหมดไปคืนกินสัพพสัตสัพพสัตทั้งหลายอย่างหลวงพ่อเดียวเนี่ยหลวงพ่ออินเนี่ยที่นั่งอยู่เดียวเนี่ยการเวลาคืนกินละหลวงพ่อได้อายุ66ปีแล้วนะนะนะปีนี้นะหลวงพอ่อพ่อได้อายุอายุได้66ปีหลวงพ่อจอูหัวเราะเฮ่เ <c oughs> โอ้ดีใจอายุของข้าได้66ปีไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าคิดผิดคิดผิดยังไง66ปีนะ่ อีกไมอก่อีกกี่ปีต่อไปข้างหน้านีย่ยังอีกนานเท่าไหร่มันเกือบจะหมดแล้วน ะ, ะเราจะไปหัวเราะดีใจได้ยังไงเมื่อเขาจูงแขนของเราเข้ามาหาหลักประหารจูงเขาไปหาหลักพญามัจจุราชเขาจะประหารตัดคอเราอยู่แล้วเราจะไปหัวเราะยินดีได้อย่างไรเพราะฉนั้นพวกเราไม่ควรจะตั้งอยู่ในความประมาทควรสังสมคุณงามความดีเอาไว้ สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีเราทําสิ่งนั้นแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อเกิดมาพบนี้ชาตินี้หลวงพ่อว่าหลวงพ่อได้ทําคุณงามความดีอย่างเต็มที่เหมือนกันนะเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อบวชเป็นแต่เป็นสัมมนเนนนะอายุ1ิบเปีบวชเป็นสั ม, มนเนนเป็นเนจุแปปีเป็นพระตั้งแต่ปี08ถ้าจะว่าไปเนะี่ยพรรษาหลวงพ่อสี่สิ้าแล้วนะสนะี่สิาพรรษาเฉพาะพระไม่ใช่พระ พ่าน้อยผนุ่มนะครับศรัทธา ญ, ญาติโยมโลูกหลานนะหลวงพ่อเนี่ยมีอายุพันษาถ้าจะว่าไปอันนี้ก็ซาทุกไม่ได้เปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะปฏิิพาน์ทั้งอายุ45พันศาน ะ, ะ45พันษาปีนี้หลวงพ่อ45พันษาน ะ, ะแต่หลวงพ่อไม่เท่าเม็ดใสในฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าหรอแต่ว่าการเวลาบอกว่าหลวงพ่อใน45พันษาแล้ว มีอายุพรรษามากพอสมควรไม่ใช่เป็นผ้น้อยพ้า น, นุมเว้นกันแต่แต่อีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่รอว่าวันไหนหลวงพ่อจะต้องถึงจุดจบแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉนั้นหลวงพ่อจึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจึงไหนที่เป็นคุณงามความดีหลวงพ่อจะทําสิ่งนั้นการสงเคราะห์อนุเคราะห์ขยะวยะธรรมมาสร้างขาราอัปมาเดนะซ้ำปาเดท่าติที่พระพุทธเจ้าตรัส เ, เป็นบัจฉิมโอวาท ขยะวยธรรมมาสร้างฆาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเน้ออย่าตั้งอยู่ในความประมาทอัปมาเดนะสั่มปาเดถาท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดประโยชน์ตนก็ให้เล่งภาวนาทําจิตใจให้สงบให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารเมื่อตัวเองพอทําได้พอประถังแล้วก็ช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์คนอื่น ที่จะช่วยเหลือสิ่งไหนได้คอยช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์คนอื่นให้เขามีความร่มเย็นเป็นสุกต่างคนต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันวันนี้หลวงพ่อได้แสดงธรรมกล่าวสัมมบทนิยตถาเห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระศ ร, รีรัตนไกรพ่อพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครอง ขอให้พวกเราประสบความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทอญ